แสดงแสดงแทนเทศแทนวันนี้เพราะว่าลวงพ่อตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วก็อุโบสถวันนี้รู้สึกว่ากิจกรรมหลายหลายอย่างแต่ก็อดคิดไม่ได้ที่จะได้มาพบมาเจอศรัทธา ญ, ญาติโยมที่เป็นผู้มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะรักษาศีล รักษาศีลรักษาธรรมฟังธรรมเทศนาให้ตลอดไตรมาสสามเดือนมีความตั้งใจหลวงพอ่อจะได้ลงมาพบมาเจอแต่ถึงยังไงก็ไม่ให้ขาดตกบกพ่องจะให้ฟังธรรมเทศนาที่พวกครูบาเขาคัดสรร จะจ ะ, จะให้ฟังเรื่องอะไรแต่หลวงพ่อได้ฟังทุกครั้งที่ท่านกูบาทั้งหลายจัดให้คณะจัทธาญาติโยมฟังก็เป็นแนวทางและแนวความคิดสำหรับพวกเราผู้เข้ามาศึกษาได้ยินได้ฟังรู้สึกว่าเป็นแนวความคิด ประดับสติปัญญาของเราไม่น้อยเหมือนกันวันนี้เป็นวันที่ห้ากันยายนพุทธศักราช 2,560 วันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเป็นวันข้าวปุญนทำปุ่ น, ปนเป็นข้าวฉลากเป็นวันตุด สุดอีสานเป็นการทาบุญอุทส่วนกุศลเมื่อเช้ารู้สึกว่าพี่น้องประชาชนก็มากขนาดที่หลวงพ่อก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะเพราะเพราะทุกวัดทุกหมู่บ้านก็มีวัดอันนี้ก็รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนก็มาที่วัดของเรา แล้วก็พร้อมกันเป็นวันที่ไม่ใช่วันหยุดราชการอีกมามากขนาดนี้ก็ู้สิกว่าอบอุน่นเห็นพี่น้องประชาชนให้ความใส่ใจสนใจในการสร้างผุนสร้างคุณสนเนี่ยลลกพ่อมองไกลนะลูกหลานนะถาว่าพวกเรา ไม่เห็นลูกหลานไม่ได้มาพาลูกหลานมาทำบุญมันน้อยหลวงพ่ อ, อยังคิดไปโอ้หพุทธศาสนาต่อไปภายภาคหน้าจะทำอย่างไร้าว่าเห็นคนแต่คนเท่าคนแก่ผู้สูงวัยก็มาสู่วัดวาศาสนาหลวงพ่อก็ยังคิดไปเออท่าหางว่าหมด ผู้สูงวัยเหล่านี้แล้วพระพุทธศาสนายจะอยู่ได้อย่างไรเพราะคนหนุ่มไม่ได้เข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยหลวงพ่อก็ได้คิดแต่พอมาช่วงหลังๆนะั้นงพ่อคลายความคิดที่หลวงพ่อได้คิดเหล่านั้นออกได้เยอะทีเดียวเพราะหลวงพ่อลงไปกรุงเทพจะไปฉันณสถานที่ใด อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนแสงธรรมหรือจิตโภชนาภาคก็เห็นคนหนุ่มๆลูกหลานยี่สิบสามสิบสี่สบปีกำลังวัยขยันทามาหาเลี้ยงชีพยังไฝ่ใจในการบุญการกุศลได้มาทำบุญจากนั้นก็มาสนใจไฝ่ธรรมะ ฟังธรรมเทศนาฟังการอบร ม, ม, มจากนั้นก็ได้เอาหนังสือธรรมะที่หลวงพ่อได้จัดขึ้นมาแล้วก็ MP3 สก็รู้สึกว่าเห็นแล้วก็มีความสบายใจขึ้นมาในระดับหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าลูกหลานเราเนีเป็นทรัพ ย, พ, พยากรต่อไปภายภาคหน้า ยังเป็นเด็กยังเป็นคนหนุ่มอยู่เขาก็จะมีหัวมีไวยที่จะแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวหมู่พกเพื่อนของเขาได้เพราะหลักๆของพุทธศาสนาถ้าเราศึกษาเข้าไปจริงจังและจริงใจแล้วเป็นลักเป็นหลั ก, เ ป, ลก เ, เป็นวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นหลักเหตุผลคล้ายๆว่าให้คำตอบ แกผู้ประพฤติธปฏธิบัติได้ไมีใจว่าพอปฏิบัติมาแล้วก็โยนให้เป็นของที่ลึกลับจนใครไม่สามารถที่จะติดตามได้ถ้าติดตามไปก็กลัวจะเป็นบาปก็เลยไม่กล้าแต่พุทธศาสนาเนี่ยเอาเหตุผลมาพูดมากล่าวมาแนะนำสั่งสอนให้รู้ ในเรื่องเรื่องนั้ น, น, นสวัสดเรื่องการเกิดการตายก็ดีที่เป็นเรื่องที่เราสงสัยจากนั้นก็เรื่องจิตภาวนาเรื่องมองดูจิตใจเรื่องความสงบหรือเรื่องแนวความคิดของพธะศาสนาที่ท่านสอนว่า เบื้องต้นท่ามกลางและก็สูงสุดสูงสุดคืออะไรท่ามกลางคืออะไรเบื้องต้นคืออะไรเราพร้อมที่จะชี้แจงบอกกล่าวให้กับผู้ที่สนใจไฝ่การศึกษาเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาเนี่ยสรุปแล้วก็คือศาสนาเหตุผล เอาเหตุผลมาอ้างอิงให้พวกพวกเราที่เข้ามาศึกษาแล้วพวกเราได้ค้นขว้าศึกษาแล้วสบายใจตายใจในเรื่องหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าเพราะนั้นก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษานะสรุปแล้วคือบอกเข้ามาแล้วให้ศึกษาถ้าพวกเราศึกษาราพวกเราจะรู้ จริงเห็นจริงในเรื่องหลักธรรมคำสอนของพุทธะแต่ถึงยังไงยังไงหลวงพ่อก็ยังมาเน้นหนักเรื่องจิตวิญญาณตัวผู้รู้นามธรรมตัวนี้นะมันคลี่คลายยังไม่ออกถ้าว่าพวกเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติจะนึกเดาคาดคะเนประมาณการ อะไรทั้งหมดมันออกมันออกไปได้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้เห็นได้จึงจะรู้จริงเห็นจริงนี่แหละจุดนี้อยากจะให้พวกเราใส่ใจเป็นกรณีพิเศษแต่เรื่องทานเรื่องศีลเกิดก็ไปว่ากันละ่ะแต่เรื่องจิตภาวนาจุดนี้น่ะจุดนี้เป็นหัวใจถ้าพวกเราคิดว่าตายแล้วศูนย์ มันกระจบเพียงแค่นั้นไม่ก่อนไปทำคุณงามความดีเพราะมันศูนย์จะทำไปยังไงมันก็ศูนย์ศูนย์เปล่านี่แหละอันนี้ก็คือมันบ่งบอกถึงอนาคตมันหมดอะไรตายอยากในการเป็นอยู่ของพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเราค้นคว้าศึกษา ดูแล้วภาวนาดูแล้วทำจิตใจให้สงบดูแล้วพวกเราเห็นได้ชัดเมื่อไเมื่อเห็นได้ชัดเนี่ยเราก็บ่งบอกกับตัวเองได้หลักจากนั้นก็ต่างองค์ต่างคนก็ตา่างรู้ชัดของใครของเราจิตใจได้รับความสงบของใครของเรารู้ดูต ด, ด, ด, ด, ด, ดูตัวนามธรรมาได้ชัดเจน ใจกายกายใจนะเพียงแค่นี้แหละพระพุทธศาสนาอพวกเราพิสูจน์ได้อย่างนั้นแล้วทุกทุกคนพิสูจได้เรียบคนเป็นส่วนมากพิสูจนได้หรือผู้ปฏิบั ต, ติตองอกตั้งใจแล้วพิสูจนได้กล้าพูดกล้าแสดงการแนะนําสั่งสอนนี่แหละอันนี้ก็เพียงเท่านี้แหละ ก็จะเป็นเครื่องพยุงหรือว่าเป็นเครื่องทำให้พุทธศาสนาอยู่คู่กับพวกเราได้นานเท่านานแต่ถ้าว่าไม่มีผู้ปฏิบัติอ่านแต่ตำรับตำราไม่ได้ผู้นำมาปฏิบัติในเมื่อพูดไปก็เบาบางเจือจางหายไปเหมือนกับตำรับตำราเนสุดวิสัยสุดเอื้อม เหมือนกับเราโกหกและหลอกกันไปหลอกกันมาผลในสุดก็เลยเจือจางเพราะหาผู้ที่ปฏิบัติจริงจังและจริงใจไม่ได้นี่แหละสิ่งเหล่านี้เราอยากจะให้พวกเรา ท, ทุกทุกท่านที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาเนี่ยพวกเราควรจะประพฤติปฏิบัติและนั่งจิตนั่งภาวนาเนี่ยน่ละหลวงพ่อจะพูดมา โน้มนนาวเข้ามาเนี่ก็จะให้พวกเราปฏิบัตินั่งภาวนาในเมื่อพวกเรานั่งภาวนาจิตใจของเราไม่ให้มันปุงฟุ้งไปทางอื่นให้กำหนดลมหายใจเข้าออกเราอว่าอยู่ในอริยบทยืนเดินนั่งเมื่อเราอยู่ในอริยบทไหนก็ให้มีสติสัมปันปัญญะในอริยบทนั้ น, น, นเราจะยืนเราก็รรู้ว่าเรายืนขนาดนี้ เราจะเดินเราก็รู้ว่าเราเดินในขณะนี้เราจะนั่งเราก็รู้ว่าเราจะนั่งในขณะนี้เราจะนอนเราก็รู้ว่าเราจะนอนในขณะนี้คือมีสติสัมปชัญญะในอริยบททุกอริยบทอันนี้ถ้าหาว่าเราทำอย่างนั้นได้จะดีมากนะแต่คงทำได้ยากแต่ทึ้งยังไงก็เถอะอันนี้คือแนวทางถึงจะอริยบทใดอริยบทมีความตั้งใจมีความมุ่งมัน่น เอาเถอะเราอาจ เ, เอาอริยบทนั่งก็แล้วกัน เ, เมื่อเราตั้งอกตั้งใจนั่งเราก็ตั้งอกตั้งใจนั่งในอริยบทอนั่งของเรานั่งขาขวาทับขาขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปนมมืออย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวขึ้นระหว่างจากนั้นก็นึกบว่ายบรมครูคือพระพุทธเจ้าเป็นบรมครู อยงนั้นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมของคำสอนของพระองค์ท่านและก็สังโฆกันละลึกถึงพระสงค์สาวกที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนแล้วท่านรู้แจ้งเห็นจริงแล้วตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประ ก, กาศเผยแผ่บอกกล่าวให้กับพวกเราเพราะนั้นเราก่อนที่จะทำจิตภาวนาท่านจึงให้ ละลึกถึงพุทโธธรทมโมสังโฆเสก่อนในเมื่อพวกเราระลึกถึงพุทโธธรรมโมสังโฆแล้วนะจากนั้นก็อมมือลงมือลงจากนั้นก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบรวน่นิ่งพอสมควรแล้วนะเมื่อจิตใจจิตใจของเราใจนิ่งสงบทีเดียวมันคงยากนะ เป็นเสียตเราเป็นผู้มีอุปนิสัยเก่าแก่เคยบําเพ็ญมาแล้วในอดีตชาติบําเพ็ญมาแล้วอันนั้นมันเป็นมันเป็นแนวแถวของผู้มีบุญวาสนาบารมีแต่เอาเถอะถึงเราก็ไม่รู้ที่เรามีบุญวาสนาอย่างไรเราก็พยายามภาวนาทาจิตใจให้สงบกําหนดลมหายใจเข้า รู้หายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออ ก, ออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกนานในเมื่อใจของเราเข้าสู่ความสงบการจิตใจเข้าสู่ความสงบท่านก็บอกว่ามีสามระดับในสมาธินี่มีสามระดับไม่เกินไม่เกินนี้คณิกะคือจิตใจเข้าสู่ความสงบประเดี๋ยวประดาว เพียงแวบบแบบหนึ่งเชื่บทราบเข้าไปครั้งหนึ่งจากนั้นก็ถอยออกมาอันนี้เราคณิกะแต่อุปจาระในธรรมจิตใจให้มีสติสัมปชัญญะในความรู้สึกนึกคิดของเราเราคิดเรื่องอะไรแปลว่าสติทันตันตัวผู้รู้แปลว่าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าเหมือนกับเชือกล่ำ วัวหรือเชือกล่ามควายไว้สติของเราล่ามล่ามจิตล่ามจิตล่ามใจของเราไม่ออกนอกนกูนอกทางแนกะ okay, okay. ้มันอยู่ในเกา้อยู่ในหลักอยู่ในเชือกคือสติสัมปชัญญะมัดไว้อยูนะ่อันนี้เราอุปจาระส่วนอัปปนาสมาธินะ <c oughs> มันจะสงบเหมือนกับควายหรือวัวมันนอน มันไม่ออกเพ่นผ่านเออมันไม่ออกนอกตูนอกทางมันนอนแปลว่าจิตที่เป็นอปปนาสมาสมาธิมันนอนเอ่อเมื่อมันนอนเสร็จแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะนอนตลอดไปไม่ใช่นะมันก็ถอนออกมนของมันอีกเหมือนกันแต่มันถอนเมื่อมันถอนออกมาแล้วนะเอ่อเราก็มีสติสัมปชัญญะในเมื่อจิตใจถอนออกมาถ้ามันถอนออกไปก็จบไปเลย มันก็ไม่ได้มันไม่เกิดประโยชน์แต่พอมันถอนออกมา <c oughs> จากอัปปนาสมาธิเหมือนกันมันควายมันลุกขึ้นมันจะออกไปหากินที่อื่นเราก็เห็นว่าควายเนี่ยควรจะจุ่มไปหากินน้ำแลือไปหากินหญ้าตามที่เราอยากจะให้มันเป็นอยากให้มันไปกินนี่แหละอันนี้ก็คือเมื่อเรา มีสติสัมปชัญญะเห็นจิตใจของเราที่มันถอนออกมาอย่างนั้นแ้วท่านก็ว่าให้นามาพิจารณาร่างกายที่ท่านว่านะเพราะว่าใจตรงนั้นใจตรงนั้นผู้รู้ตัวรู้สึกนึกคิดตัวนั้นมันหลงร่างกายมากกว่าอย่างอื่นพอมันหลงร่างกายแล้วก็น่ะว่าร่างกายตัวเองจะเสร็จสวยงดงาม ว่าร่างกายของ เ, าเราได้อยู่โช่วฟ้าดินสวัสายอยู่นานเท่านานไม่มีการเสื่อมไม่มีการสลายไม่มีตายไม่เป็นในความรู้สึกของเรานะะความหลงความหลงอยู่ในจิตใจมันลึกๆมันมีอยู่มันไม่ยอมรับถึงจะว่าตายนะตายนะขนาดไหนมันก็ยังไม่ยอมรับนี่แหละอันนี้ก็คือเราต้องพยายามฝึกจุดนี้แหละคือเอาจิตคือเอ า, เอา เอาควายที่มันออกที่มันตื่นขึ้นมาเน่ะเอามาพิจารณาเอาคือใจของเราที่มันตื่นออกจากสมาธิเนี่ยเอามาพิจารณาอันนี้คือถ้ามันถอนออกมาแล้วถ้ามันอยู่มันถ้าควายนอนจะไปจูงให้มันไปกินหญ้าได้ยังไงใช่ไหมล่ะเออมันจะลุกเนี่ยมันอยู่กับนอนกับที่เออมันจะไปที่ไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ที่เจ็ดจิตที่เป็นอปปนาสมาธินะเพราะมันเน่งมันนอนมันเน่ง มันนอนหลับหรือว่ามันเน่งมันนอนเขี้ยวเอื้องอยู่นั่นนะ่ะมันไม่ไปไหนมีสติสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้คือจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิแต่เมื่อมันถอนออกมาจากสมาธิ น, ะนั่นแหละจิตวิจถอนออกมาเลยเป็นอุปจาระนะจากนั้นกับพิจารณาแนละ้วแต่นะพิจารณาร่างกายเอากําหนดตัวไหนเป็นร่างกายเอาเถอะ ครูบาอาจารย์บอกว่าจะให้มีเนื้อหนังให้เป็นโครงกระดูกไม่ให้มีเนื้อมีหนังให้เป็นโครงกระดูกเท่านั้นเราก็กำหนดโครงกระดูกดูกระโหลกศีรษะตนเองเลยทีนเมื่อลูกดูกระโหลกศีรษะดูกระโบกเบ้าตาดูจมกูกดูขากรรไกรดูฟันทำไมเราจึงจะรู้เห็นได้เพราะว่าเราไปเห็น กระดูกเขาที่ไหนที่เขาแขวนไวนะ้ที่เขาแขวนไว้ที่ไหนเราก็ไปเห็นไปเห็นเสร็จแล้วก่อนเราก็น้อมนึกย้อนกลับมาหาตั ว, ตวเองว่าข้าพเจ้าเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงไหมเป็นตามโครงกระดูกนแน่ใช่ไหมเพราะเขาเป็นโครงกระดูกตัวเองจะไม่มีโครงกระดูกอย่างนั้นได้อย่างไรมันก็ต้องยอมรับนะในเมื่อยอมรับกําำหนดโครงกระดูกเลย ดูโครงกระดูกของคนอื่นน้อมมาตัวของเราดดูกระโหลกศีรษะดูเบ้าตาดูจมูกดูฟันข้างบนข้างล่างขากันไกลจากนั้นก็ดูคอดูหายปาราดูแข้งดูขาดูชี้โครงดูไปหมดแต่เป็นจะไปดูแบบเร็วนะไม่ต้องดูเร็วรักดูแบบช้าช้าดูกระดูกดูจนถึงฝ่าเท้าทั้งสอง จากนั้น ก, กลับขึ้นดูขึ้นมาอเองท่านว่าดูรูร่างกายเนหะมือนกับเราคลาดนานะลงตาหมาบัวท่านว่านเหมือนกัเราคลาดนานคลาดละเอียดทีทั่วนะกลับไปกลับมากลับมากลับไปกลับไปกลับมาเพราะกิเลสมันอยู่ในตัวของเราเนี่ยมันติดพบติดชาติมานานยาวนานมิตไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนกี่ล้านชาตินะ มันอยู่ติดอยู่ในร่างกายของเราเนะี่ยเพราะฉะนั้นเราจะพิจารณาประเดี๋ยวประเดามันถอนขึ้นมาได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันไม่ใช่ธรรมดานะมันกลงอยู่ในร่างกายติดภพติดชาติตัวนี้นะเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณา ด, ดูแล้วดูอีกแยกแล้วแยกอีกให้เห็นของที่ไม่เที่ยงเห็นโครงกระดูกของตัเองจากนั้นก็ย้อนมาหาตัวกุรู้คือใจและก็มองใจของตัวเอง เราเน่เป็นขอเป็นหลงกระดูกใชไม้อ่าคิดว่ากระดูกนันเป็นของเราใจไม้คิดว่ากระดูกใันตายไม่เป็นใจไม้นั่นแหะสรุปแล้วก็คือดูกายเสร็จแล้วดูโครงกระดูกแล้วก็ดูตัวผู้รู้นามธรรมตัวรู้สึกนึกคิดนั่นนะดูตัวนั้นเอกพอดูแต่นั้นก็ดูข้างนอกเอกดูข้างนอกดูข้างในเอกเนี่ยหลายครั้งต่อหลายหนจนมันชำนิชำนาญจากนั้น ใจของเรารู้แจ้งเห็นจริงจิตใจของเราก็ไม่เบื่อไม่นายไม่เบื่อไม่นายไม่คลายไม่มากก็น้อยแหละท่นเนี่ยมันรู้เห็นตามความเป็นจริงและว่านเนี่ยนะนี่แหละวิธีการปฏิบัติธรรมและวิธีการภาวนานะตั้งแต่ริเริ่มที่หลวงพ่อได้พูดว่าเราต้องนั่งภาวนาว่าตายแล้วเกิดด้วยตายแล้วสูน มันศูนย์ศูนย์จริงไหมเกิดเกิดจริงไหมโด้วยเห็นเหตุอะไรนีแน่แหละถ้าเราพิจารณาภาวนาการกลองไ ต, ต่ตองตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มแรกแน่ะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะจากนั้นพวกเราก็จะรู้แจ้งเห็นจริงจิตใจก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจิตใจมั่นคงเลยไม่วอกแวกเห็นตามความเป็นจริงร่างกายของมนุษย์ชาติมันเป็นอย่างนี้หนอเราจะรู้ได้เห็นได้นะ ไว้พวกเราทุกๆท่านนะนี่แหล ะ, ะการที่จะทำจิตใจให้สงบจิตใจให้สงบเป็นสมัติฐเป็นสมาธินั่นนะก็ไม่หนีจากบริกรรมพทรนะุทโธตามแนวแถวหลวงปู่มัด น, น ะ, ะนนเมื่อเราภาวนาพุทโธจิตใจเขาสู่ความสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วก็นำมาพิจารณาทางด้านปัญญานะวิปัสสนาก็จะเห็นจะรู้ได้ถ้าเรา จิตใจของเราไม่ได้รับไม่สงบนะเราทํามาพิ จ, พจรารณาได้ไหมก็ได้แต่มันก็ไม่ชัดเจนเลือเล่อนๆลางๆมีแต่สัญญาสัญญากสางขารปุ่งฟุ้งไปแล้วก็คิดไปแล้วก็เอเอนอเออนอไปท่นเองมันไม่ตัดตัดกิเลสไม่ขาดนะเพราะอะไรเพอะใจของเราไม่ได้เป็นสมาธนะิถ้าจิตใจของเราเป็นสมาธิแล้วเราจะรู้ได้ เ, เห็นได้ชัดเจนในความรู้สึกนึกคิดของเรานะเอาวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดเอาไวท้ทเวงท่นนี้ก่อนเอาต่อไปกไปเปิดเทปนั้นทเนีนะเปิดเทปเอานั่งสมาธินันสเนะ น, นั่งกัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายปนมมือขึ้นระหว่างอกจากนั้นก็พุโทโธธรทมโมเสร็จแล้วเอามือลงภาวนาไปเลยพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยนัตสีนะ